เรื่องเวชนดอนปริทัตตอนที่สี่โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยและผลกรรมที่ตนเองได้กระทำนั้นแต่เวียนไหวตายเกิดแล้วในเป็นอเนกาชาติจากสุกติโลกของสวงสวรรค์และก็บังเกิดเป็น มนุษย์ในตระกูลอันสูงส่งด้วยอำนาจแห่งคุณธรรมที่เดระทรรมสะสมเอาไว้ตระกูลที่สูงสักก็เป็นประมาณที่เด้กระทมมาในครั้งสำคัญพระนางทรงอุบัติเป็นเทพอปรสรชื่อพุทสตีมีฐานะเป็นมเหสีแห่งองค์อมรินจอมสวรรค์ชั้นดาวดึงแต่แล้วก็ถึงวาระสิ้นวาสนาเอกชีวิตบนสวรรค์ก็ออยังต้องหวั่นไหววุว่นาก็มีเวลาทลาย เทพเจ้าผู้สวรสุขบนสวรรค์สวรรค์ก็ยังต้องจุดติเพราะเป็นผลมาจากเหตุที่หาความเที่ยงแท้อันใดไม่ได้โลกลวนอนิจจงด้วยความเวทนาอะไรอินเทพทรงพาผู้สดีผู้ถึงซึ่งวาระสุดท้ายสเสด็จประทับยังนันทวันสวนสวรรค์อันรื่นรมและได้โปรดให้พระนางคูนขอสิ่งที่พึงประสงค์ก่อนจุดติจากไปได้สิบอย่างซึ่ง พระนางทูลข อ, อดังตอไปนี้ความจริงเรื่องนี้เราทั้งหลายก็เคยได้ฟังกันมาเป็นประจำในการทัศน์สัพรพระอินบอกว่าพระน้องนางบัดนี้เป็นเวลาสุดท้ายที่เราจะได้พบกันอยู่บนสวงสวรรค์แห่งนี้เพราะเหตุแห่งความไม่เที่ยงแท้ของเสียงทั้งหลายขอนางจงขอพร อ, อันปรารถนาของนางเถิดเราจะประทานพร น, นั้นให้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 ปาฏิารที่สุดก็คือการได้เกิดมาบนพื้นแผ่นดินสีพีเชษตุดออันเป็นนครที่รุ่งเรืองแห่งโผลคะัะในช่วงนี้เรากำลังก้าวข้าสู่ตอนกลางของกันทัสพรท่านสาธุชนทั้งหลายก็พอจะทราบแล้วนะว่าเริ่มต้นก็นคือตอนที่นางผุทสดีนี้ยังอยู่บนสวงสวรรค์ยังเป็นนางเทพอปศเป็นภู ง, งิง่ายว่าเป็นเมียของพระอินบัดนี้นางนั้นจะหมดบุญจากสวรรค์แล้ว ด้วยเหตุแห่งบุพพันธ์ทีมิห้าประการคือผิวพรรณของนางได้เศร้าหมองดอกไม้ทิพย์ได้เหี่ยวแห้งและก็ที่อยู่อาศัยของนางนั้นก็ไม่เกิดความร่มมณียสถานเกิดความเป็นอยู่อย่างร้อนรนกระวนกรวายเสื้อผ้าผิวพรรณก็เศร้าหมองไม่พองใส่นอกจากนั้นเ <c oughs> ขื่อออกจักรแระสิงภาษาบริวักกัดเชหิกัดช้าหิเฉโท้ท เขือออกแล้วที่จักะ แ, แลนั้นพระอินทร์ก็รู้ได้ทันทีว่าบัตรนี้นางจะหมดบนจากสองสวรรค์ด้วยความรักความอาไลาอาวรต่อนางผู้เป็นสุดที่รักก็เลยบอกว่าบัตรนี้เราจะต้องพัดผาาจากกันแล้วพระ น, นางตกใจมากแล้วก็ถามว่าสเสด็จพี่หม่อมชันทําความผิดอันใดพระองค์ไม่รักหม่อมชันแล้วหลหรือทําไมจึงพูดอย่างนี้เหมือนกับจะล้มหายตายจากกัน พระเองก็บอกวันนั้นเป็นความจริงพี่จะไม่รักเธอก็หาไม่ได้พี่รักเธอสุดชีวิตสุดหัวใจแต่ว่าสรรพสิ่งตั้งยในโลกล้วนอนันจังบบบนี้เธอจะต้องจุติไปตามเส้นทางแห่งเวรแห่งกรรมเราทำบุญมาได้พบกันเพียงแค่นี้ ท, ทุกๆคนจะต้องเป็นอย่างนี้ไม่ว่าใครที่ไหนเพราะเหตุนั้นด้วยความรักเวทนาอะไรอววร์ต่อเธอขอเธอจงได้ขอพร ฉันจะประทานพรให้สิบประการเท่าดีเธอปราถนาที่สุดยอดรักเชิญเธอถ้าเธอปาถนาเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นางรู้ดังนั้นก็ทำจิตใจให้สงบลำับแล้วก็บอกกับพระเอ็นว่าถ้าหากพระองค์จะส่งเมตตาประทานพรแก่หม่อมชันขอพอรทั้งสิ้นนั้นจงสำเร็จสมบูรณ์ภายในราชนิเวศแห่งราชาสีพ นี่เป็นเจตนาปารบคือพรทั้งหมดนั้นฉันไม่ปาธนาตรงไหนถ้าหากจะเป็นได้ขอให้พรที่หวังนี้ได้เป็นสำเร็จที่นครศรีภีเชตุดอนที่ชมพูทวีปเมืองมนุษย์นน้นพระเองก็บอกว่าขอให้พนันธะพานาง น, นั้นจงขอมาเถิดฉันจะอนุญาตจะมอบให้เมื่อได้รับคำมั่นสัญญาอย่างนี้นางก็เลยขอพรบอกว่า ข้าแต่จอมเทพข้อที่หนึ่งนั้นหม่อมชันขอผ่อนก็ให้หม่อมชันนั้นพึงเป็นผู้มีดวงตางดงามดุจในตาแห่งหมู่เนื้อภาษาบาลีเขาว่ามิกขีนยามิกขีในตาของหมู่เนื้อ เ, อเกิดมาปีเดียวแล้วมีแววดำสนิทนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองค่อย ห, หม่อมชันพึ่งมี ขนคิ้วโค้งงอนประหนึ่งจันทอ่อนปรากฏบนฟ้ากฟ้าเบื้องประจิมข้อที่สขอให้หมอมฉันนี้เพึ่งมีนามว่าพุทธสดีเพื่อเป็นอนุสร์แห่งความหลังครั้งอดีตไม่เลื่อมเลือนคือจุบนสวรรค์นั่นคือชื่อมีชื่อว่าพุทธสดีเมื่อไปเกิดในเมืองมนุษย์แล้วก็ขอให้ได้มีชื่อเก่าอันนี้เป็นเครื่องหมายสั ญ, ญลักษณ์แห่งความอาลัยอาวรณ์แห่งความทรงจำว่างั้นแด็ดนะอนุสรแห่งความหลัง ในข้อที่สามเลยนะส่วนข้อที่สี่นั่นค่อย ห, หม่อมฉันพึงมีบุตรอัลเลิศด้วยคนคนยากไรตกทุกได้ยากได้พึ่งพาอาศัยมีเกียรติยศรุ่งเรืองแม้ชาวต่างแขวนกว็บูชาข้อที่ห้ายามทรงคันจะได้ปากนูนโยมีสันธานโอนน้อยดุดคันซ้อนที่ช่างเขาเหลาเป็นอันดีแล้วข้อที่หกขออยู่คนทั้งคู่อันสันธารสมส่วน งดงามดังดอกประทุมที่ดูมอยู่ชั่ว น, นิจยรันดอนเมนเทเขาแล้วก็บว่อยเหี่ยวตกคอนจากเธอวอ่าไงไงจะเสียไปข้อที่เจ็ดผมงอกแม้แต่เส้นเดียวจะได้ปรากฏบนเสียงข้หมองฉันแม้จะร่วงเข้าเขตฉลา ก, การข้อที่แปดขอให้ชวีวันผิวพันตลอดเรือนร่างข้อมองฉันอจะได้มีตำแหน่งรอยแต้มแม้แต่เพียงน้อยนิดขี่เปวันจะได้มีมีแต่ความหมดงาม ข้อที่ก่าหม่อมฉันเึิงมีอำนาจในการทุเลาโทษของชนผู้ประมาทแล้วให้พ้นจากประหารจะถึงคิวข้าก็ขอให้หม่อมฉันมีอำนาจปลดไปล่อยได้ข้อที่สิบพึงได้เป็นมเหสีแห่งพระราชาแควนศรีผีนักเชิตัวดอนนครอันรุง่งเรืองบริโภคและเกียรติยศความจริงนี้ พรอนที่ฟังมาสิบปากานี้ที่วัดทสพรอข้อที่สิบถ้าเขียนแบบภาคอีสานบ้านเราข้อสุดท้ายภาคอีสานบ้านเราเอาข้อสุดท้ายไปไว้เป็นข้อที่หนึ่งดูมันจะถูกต้องดีกว่ารู้สึกจะสับสนเพราะว่าขอให้ได้เป็นราชินี ข้าพไปเหตุสีแห่งพระราชาสีผีเชตุดร อ, อันไพบุญด้วยโพคะและเกตจะยศเอาเถิดเมื่อมีพวแล้วก็จะต้องมีลูกอะไรทั้งนองเนี่ยอย่างไรก็ตามจากก่อนจะหลังเกาะเป็นพออันเดียวกันสิบประการขอ้อนึงนั่นข้อจำเจอบังเกิดปางปานในสีพีรัฐบุรีเมืองกวงข้อห้ปรากฏกองลื่อร้างขามเดชห้อยเอ็ดประเทศดาวม้าสนเพิงบุญเนี่ยขอ <c oughs> ้อที่หนึ่งทางอีสานเราว่าอย่างนี้นะเขาว่าอย่างนี้ ขอซ้องนั่นขอให้นิ่นเด็ดเนือทั้งครูใสแสงอันวตาแดงเหลืองยาแดงมีปัดตองก้อยคือตาเหนือมิขีในปาแมนว่าไฟบอร์ดหมัวฟ้างฝะยาซุ ม, มีขอสามนี่ขอให้เขียวภูขานี่โกงดังคันซ้อนขอให้คือดังสอยมายุลุ่เสือหมูหนกยุ่งให้มีคิ้วในงามโกงเมื่อคันซ้อนและเหมือนมีขนคิ้วงามเหมือนเหมือนขนของนกยุง คอที่สีนั่นพุทธศีนี่เป็นน้ำคาบาทขั้นว่าม้อละมิงเมียมน้ำนี่ให้ดังเดิมได้ทอนว่าสันคือต้องการชื่อเดิมบนสวรรค์อย่างไดก็ตามตายแล้วไปเกิดคงขายมีซื้อคือเก่าเดอ้อคอที่หานั่นก็ให้โปขาหนีได้ลูกแก้วภูประเสริฐบุนมีวสันตให้ได้ลูกแก้วภูประเสริฐบุญมีมีซื้อเสียงกลัวคนทั้งขายก็ให้มีใจกว่วงซัทขาก่าแกยินดีท่านทอดให้คนให้ขหมอดคอ เงีเมื่อขาหน่อยมีหลกถือผ้าขอจะได้ขับผ้ายอนยานน่านนุ่นป่งกให้คือขัข้นซ้อนสวยสวยงามปานซ่างอันตีแล้วกลมเกลี่ยกลมสวยส่วนเสมอกาะขาท้อนมาสัตวในการทัดประทอนว่าอย่างนี้คอที่เจ๊เท้าตั้งยุคข้นทันทั้งโคขอให้เต็มตึงตั้งตูมเต่ายาโสค้อนผูดด้ใดก็อยากไในคือกันในนอกปรว่าิแต่นามคดสตีดําแหม คอที่แปด น, นั่นแามเมื่อขาน่อยนี่ใดหลูกอ่อนกินนมยาไข่หัวนมดำยอนย่านคือยอ น, นย่านจนหอยขอให้คือประทุมตังบัวทองเทียมครูแามเมื่อหลูกเนืองเล่นนมหนองยาสูญ ย, ย, ย่ายในฟูเฮ้ยฟูได้ก็อยากได้คือกันดิแล้ววิกฤตฟ้าใหญ่ใหญ่เนาะเขาออกไม่ออกใครก็อยากได้แต่มันถูกกีเลสค้นไม่ใช่อะไรคอที่แปดเกซ่าเสร็จดำดีปีปอดยาแดงมีงอกเหี่ยวดำเหลื่อมตลอดตายพุดา ขูมเมื่อนีนางพุษ ธ, ธีสมัยใหม่ไปซื้อน้ำยาย้อมผมมาดามาย้อมเท่าแล้วก็เหลี่ยมหยิบหยิบห ย, ยิบอาทิตย์หนึ่งผัดทั้งปลายดําทั้งกกผัดการเสได้บาดเนี่ยดำครึ่ง น, นึงการครึ่งหนึ่งพุษดีสมัยใหม่นมกับ่อยกับไขาเหี่ยวตอกค้อแล้วออกหลกมากกับ่อ ย, าายกับไโรหอกไข่หลอกกินนมหย่านหลูกหนองหย่านประเด็เป็นพุทธศรี เทามาแล้วยังพอไปตัดหน้าดึงหลังคนติดมีเงินกันนั่งกอบินไปนูน่นทําสัญญากำพลาสติกผ่านวาฬหลั น, นี่ใส่หนุ่มมักบวบเข่าใส่ชีดมอร์ฟีนก็ไปเห็ดจังได้ละ่ะฝังเข้าไปทางในผนตัดเนื้อมาหุ่มเห็ดนมตั้งโจโกสาวพันปีเพื่อนฝนวาเดพุทธดีจะไม่หม่เฮ้ยจะไม่จัดสังขารนอกเพราะไงไม่ไมามาางนู่นจะไปบ่าไปเฮอรน้ำมันก็นแล้วกันแต่ว่านางพุทธดีนี่ขอเหลือเกินขอเก่านั่น ขอคอที่เก่าก้อยซุกคุมเนี่ยเกี่ยงอ่อนผิวนุ่นคือดันท่องท่าทวโ ต, โตเต็มเหนือค้อยซีซเสเหลื่ยมนุ่นในผิวพองไผเห็นเราอยากต่องใจสะบันเทาท่วงคอที่ซิบค้นขี่หายหลักหลบเอาของเขาสิตัดหัวฟังขาเจียเจนเหนือคือจังจองจำให้ครั้งข้าข อ, ขอคือก็ดีท้อนก้ขาปล่อยเปลยงชีว่าไวยาสุเสร พูดง่ายๆข้อนี้เป็นข้อที่เก้าแต่คนทางอีสานเราเอาเป็นข้อที่10ข้อที่หนึ่งให้เด็เป็นมาเหสีในสีพีเชิดตุดอนทั้งหมดก็คือกันนั่นแหละนอคือกันคือกันทั้งหมดนี่เหยกซื่อทดสพพอนอินทาา อินท่าพระพอท่านเมียแกวคันวันนางขันได้พ่อนถ้ำเทวรัตแล้วจึงมอดำมิงเมี่ยนนั้นไล่ฝ่าดวนลงแทนแล้วยุติกาบันทัศพรกันก่อนหากรแล้วพอหนีงอไหวทีควรกวันเร็วจบแล้ <c oughs> ลยนะทัศพรมีเพียงแค่นี้ทัสพรมีเพียงแค่นี้ก็ให้เราทั้งหลายได้เข้าใจจบกันทัศพรสิบเก้าพระคาถาทีนี้ถ้าหากจะปริทัศ์ ทัศพรกันจะหน่อยก็พอจะได้อยุ่หลอกเจ้าข้นสุกันนี้กันกันกันหิวะผ่านหนึ่งร้อยสามสิบสี่พักคาถาพอก้อาขันสุกันิีบะผ่านนี้ก็พูดถึงเรื่องนางพุทดีอีกอย่างต่อง่งคือความสวยสดงดงามของนางพรทั้งสิบประการก็ได้ปากกดต่อหน้า เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติสิบประการดังที่ขอแล้วพิษเนตรดุดเนตรมิคมารพิขนงวงวาดดังคันศิลพิษเก๋บอลีดังสีดินพิษผิวเพียงปฐินด้วยผงจันพิษอกอกโอดังโกสมเตงตุ้มเต้าตังทางสองฐานพิษพักพองเด่นดังเพนจันพิษทันทนเรียบเปรียบมุกดาพิษปลางปลางอิ่มรักกินแต้มพิษโอดโอดแย้มดังอุสา พิดองค์สงงามจำเริญตายิ่งพิษก็ยิ่งพาจิตภวงงามจริตงามจัญญา น, น่ารักรวนเชิญชวนพิศวาสพิศวงอำนาจพรเทวราชประสาทส่งให้อนงงามเลิศเมื่อเกิดมา สูงทั้งศัก์มากทั้งทรัพย์คนนับถือเกียรระบือชื่อระบินชั่วเด่นฟ้าเป็นควันเน่เกตกษัตริย์มัทราชนิดานานามสมมุติผุสดสตีผลหนาความงามพลานาออกมาบาหาชาติกันคำหลวงก็ดีแต่งขึ้นมาเนีุ่วยฟังไพโลงามประมวนนางงามจักรกวาลอย่ามาพูดถึงพรทิพนากฮิรันกันนกปุ๋ยเป๋เข้ามาใกล้เทียบใบไม่ได้ฟุนเลยความสวยของนางเป็นอย่างนี้ จะว่าปไปแล้วพรสิประการก็ล้วนแต่ผู้หญิงทั้งหลายปาถนากันทั้งนั้นไม่ใช่อื่นไกลหลอกนะโยมนะทุกคนก็อยากจะให้ชิวโกงดังคันซ้อนเหมือนพระจันทร์เสี้ยวในทิตประจิมด้วยกันทั้งนั้น จะวาดไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรทุกวันนี่นางพุทสดีสมัยใหม่นั่งรถไปบุญเดียผัดกองแกงจกออกมาแล้วในกระเป๋าหน่อยเอาแวนมาแยงบุญเดียผัดยิ้มบุญเดียผัดเอาสอมมาเขียนคิว้วเอ้ยกองงามปัญนยังเนี่ย ดวงตานี่ยขอให้ดำงามเมือนมิขี่เกิดมาปีเดียวมีแววตาดำสนิทเดี๋ยวนี่หยอนเลยหวานเยิ้มสีดำเขียนขอบตาปานถือกาปั้นผัวตีมาเดี๋ใสกระป๋อักนี่ก็ะนา่งพูดจะดีซะไม่ไหมนี่เมื่อขอให้ข้าพเจ้านี่ได้ลูกหน่อยภูประเสริฐบนมีข้าเป็นขุเมืองกษัตริทรุท้อนขอให้ผู้ข่าได้ลูกเต่าภูประเสริฐบนมีแต่บ่มีให้ป่าธนาให้ลูกในเฮียนท่ำตีเอกโทษมหาเก้า ขอยผู้ข่าได้ลูกเต่าผูประเสริฐบนมีจบปริญญาตีเอกโทษด็อกเตอ ร, ร์ป น, นประวัติผลในคนบราณขึ้นไปคือคนโบราณสารทุท้อนเจ้าใหญ่มาให้ได้ลูกแก้วผู้ประเสริฐบนมีไงมาให้เผ่าพรนธุบวชให้ได้ยิงนวดในสินในธรรมได้จำำํานําคุณพ่อคุณแม่พ่อได้แก่ดึงขึ้นสวรรค์เป็นลูกคขำลูกคุ้นเป็นลูกแก้วผูประเสริฐบนมีเฮียนทำตีเอกโทษมหาเก่าบวาจักเพื่อสมัยนีย้หัวดีๆให้เรียนแพทย์ไปสั่น กำลังวังชาดีข้อดีให้เป็นนักบินประสนบมมีไพจ้าเกือ ว, ว่าอู้เฮ้ยหลูกพู้ขาหัวดีดีนี่จะไปบวช เป็นเนตเรีย น, นยทาตีทําโทจนหอดมหาเกา่าเจริญสมาธิภาวนาสมถวิปัสนาจิตใจทะลุทะลวงมองเห็นอนิจจงทุกครั้งอนิจจาทำอริยสัจทั้งสีให้แจ่งเป็นที่พึ่งพาอาศัยของสัตว์โลกทั้งหลายให้พ่อแม่ได้พึ่งพาบุญไม่พอมีผลได้คิดดมกาวแล้วเป็นบ้ากระจองงงเงแล้วเอาบัได้ทรงไปเรียนโรงเรียนฝารังเซนยูเซฟเซนจุยจอนเซนลุยเซนคาเ บ, บียนเนี่ย ส่งให้เป็นเสียเงินปีแล้วเป็นสองหมื่นสามืนจ้างเรียนบัตรมันบอดีไปติดยาเสพติดโคเคนเฮโรอีนดมเทนเนอร์ ด, ดมกาวแต่ยินภาคธนเทศอยากจะฝากลูกไปเยิดด้วยลูกผมไม่ดีแล้วผ่านว่ะพอประเทศทีนัอยากจะฝากแต่ลูกตอนลูกดีๆไม่อยากฝากอาดามาเคยถามว่าคนดีๆไม่มีลูกจะไปฝากวัดนั่นมันเป็นสยยัญลักษณ์นั่นพวกเราแต่นางผู้เสีดีไม่หวังอย่างนั้นขอให้ลูกนี้เป็นคนดี มีบุตรอเลอิอด้วยคนคนยากได้พึ่งพาอาศัยมีเกียรติยศปรากฏรุ่งเรืองแม่ชาวต่างแว่นแขวนกาะบูชานี่เป็นอย่างนี้แต่พวกเรานั้นไม่ได้คิดอย่างนั้นเราไม่คิดเหมือนนางพุทธ ด, ดีที่นางพุทธดีบว่าขอให้ผู้ขานได้ลูกเกิดเป็นไส้วัชัน มีสื่อเสียงกวัวคนทั้งขายกม็มีใจกว่วงศรัทธากาแกยินดีท่านทอดให้คนให้ขะมอดขอเดี๋ยเป็นที่พึ่งพาอาศัยคนทุกคนยากเราไม่ได้คิดอย่างนั้นบ้านเมืองมันจึงเต็มไปด้วยความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะบ่มีความปาดทันนานที่เกว่าเป็นสัมมาสังกัตะ ไอ้อันอื่นนั้นอยากได้ป่านหยั่งยำทรงครันนั้นปรากฏอยาให้มันนูนโยมีสันทานโอนน้อยดูดคำซ้อนช่างเราเป็นอันดีอย่างนี้พอจะมีท้องหน่อยเสือสิญยัยอยู่อ้ายพังไพรพังไพรหย่า ง, ง, ง, ง, ง, งให้เขาเห็นว่าของ <c oughs> บ, บ่มีหยังห่งคือกับคนธรรมดานอย่างนั้น <c oughs> ต่อมาก็หอมงอกสักเส้นเดียวจะได้ปรากฏบนเสียนหมอมชั้นขอที่เจ็ดเนี่ยไว้โคเมืองแห้งคักแล้วพุทธดีสมัยใหม่ลุย เกษาดําดีผีปอดเขาจะมีงอกเหยี่ยวดำเหลื่อมตลอดตายแท้เด้อประศัตรก็เลยต้องไปซื้อยามาย้อมสองสามมือย้อมสี่ห้ามือย้อมไปเถียงไปป้นเอาธรรมชาติไม่ยอมแพ้มันไปป้นธรรมชาติมันก็ไม่ยอมมันออกมามันก็ขาวขึ้นเลยคือเกาปลายสีดําปันไดก็ตามนั่นเป็นอย่างนั้น ขอที่แปดสวีวันตลอดเดือนกายจะ่าได้มีตำหนิรอยแต้มแม้แต่เพียงเล็กน้อยเดี๋ยวนี้ผุนผัไปหาสักไล่ใส่รักลักยิ้มริมฝีปากผุนผัดวาเด้กดกันแต่กระแต้มจุดโอ้โว้ยจะมันคักนอกมมใจนางผู้สีเดี๋ยวนี้ยิ่งคักกว่าสมัยก่อนซ้ำนางเอาเป็นว่าผ่านไปยังไงก็ตามเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาทั้งนั้นแหลยที่เป็นเรื่องของคนปาร์นาอันพอใจตามที่กล่าวมาแล้วต่อมานี่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 ไม่ต่างอะไรกับเทพธิดาเช่นกันเมื่อพัรษาได้สิพอปีสรีระอวบจำเริญตาอานุภาพแห่งสิริโฉมทำให้นครมัดถลาดถูกรุมล้อมด้วยกษัตริย์จากนครน้อยใหญ่เหมือนลุ่มลาดชักเอาสายน้ำจากที่ต่างๆไหลมาขังเอเ่อเสนอหน้ารวมกันอยู่เะนั้น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 มนนี้ได้เสด็จมาประทับอยู่ในในครศรีพีเชตุดอพรที่นางขอประการอื่นก็ครบถ้วนยังอยู่ประการเดียวคือพระโอรสพระโพธิสัติสิงสถิตอยูนะ่นดุสิพ์พิพพได้รับอัญเชิญจากท้าวสักกเทวราชให้เสด็จลงประดิษฐ์ที่ที่อุทรของพระนางพุทธสติ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 ผีสางคางไล่ขม อ, อัดหายได้มาเกิดนําตื่นคือมาดาคนเดิเด้อกห่ากินตับมึงว่าสันไพ่สิยักมาเกิดนำํำพวกคนดีๆเขาหย่านห่ากินตับเขาก็มีเจาา้าฮานเดี๋ยวมาเกิดนํำถากินตับคนแม่เชบอกเป็นอย่างสันเด็ดพระโพธิสัตว์ท ร, ทรงบินมาถึงศิลาจารวัฒนแห่งพระชนีเห็นว่าไม่เป็นที่พึงรังเกียจก็ทรงยินดีรับการอัญเชิญก้าวลงสู่คันพระมารดาดุดเหมหง พอปีกลู่ลงสงสนานกายในสะโบกรนีอย่างเต็มใจฉะนั้นพื้นอัธยาใสของสเสด็จแม่ ก็ฝักใฝ่ในการทําบุญทํากุศลอยู่ตลอดมาแล้วยิ่งได้รับแรงส่งจากบา ร, รมีของพระโพธิสัตว์ผู้ประทับอยู่ในพระคันท์เข้าอีกก็ทําให้ทรงทวีสถานในการทําบุญซุนทลรทานการกุศลยิ่งขึ้นทูลขออนุญาตพระสวามีสนชัยสร้างโลงทานขึ้นอีกหกแห่งในพระราชฐานสองแห่งณนะแท่ประตูเมืองทิศทั้งสี่ทิศแหลงอุ้ยมานคนยากได้อุบัติขึ้นแล้วนกรุงศรีพีเชิตุดอน เนี่ยพอแต่ลูกพระโพธิสัเข้ามาจุติในขันถือผ้าคาทตรองท่านั้นจิตใจได้เปลี่ยนแปลงชอบทำบุญสุนทานมาก่อนบัดนี้ยิ่งทวีขึ้นต้องอ่อนวอนให้พระราชาพัสวะมีได้สร้างโลงทานขึ้นมาในพระราชวังเนี่ยสี่แห่งและไปสร้างอยู่ประตูเมืองสองแห่งเป็นหกแห่ง ท่านดังหลายลองคิดพิจารณาดูเวลาผู้หญิงคนใดคนหนึ่งตั้งท้องทรงคันเกินมาในจิตใจจะเริ่มเปลี่ยนแปลงบางคนมีท้องและจิตใจดีดีเยือกเย็น เคยโกรธก็ไม่โกรธเคยดูก็ไม่ดูใจเย็นจังหนาําพรมีห่อนจังไฟนั่นแสดง ว, ว่าบุตรที่มาเกิด น, นั้นเป็นคนมีบุญได้สังสมอบรมบารมีมาเป็นคนดีจิตใจส ง, งบลำลับเยือกเย็นแต่บางคนพอตั้งท้องมาเลยวายพุ่มพุมปล่อยน้าพัวแต่ก่อนใจหนาบพรันได้ล่างกุ่มปล่อยตั้งแต่พัวใจดีแต่าบางฝ่ายใจหายทามักตูมเห็นพัวมากัดแข่ายิก ข้างใจและจอนดึงใจอยังยองก็จะนั่งจะนั่งนี่เด้คือบนใดคือใจคุทีเดียววัดตั้งแต่ก่อนเธอไม่เป็นเช่นนั้นจิตใจของเธอจะเริ่มแปลปลุนเมื่อตั้งท้องบางคนตั้งร้องอยากกินซอยแซ่ ซ, ซกเล็ปลาเลือดอีกยังต่า ง, งๆบางคนอยากกินเหล่าเมายาบางคนอยากจะกินของหวานหวานบางคนอยากแต่งเนื้อแต่งตัวต่างแต่เป็นสาวมาป้าโตอืดยืดเลยวะไบ่มีงามจักหน่อยเป็นสาวเฟิ่ง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 มีเหตุมีผลแต่บุคคลบางคนตั้งทองไมอยากกินเหล่าอยากกินข้องเผ็ดเผ็ดเค็มเค็มลาบก้อยซอยแซ่ ซ, ซกแล้นักเลงไงสิมันเกิดแล้วพอให้เราทั้งหลายเด็พิจนารณาดูให้ดีเหมือนพระเวสสันดรขับมาสู่บาคันของนางพพษจีทำให้แม่ปราถนาจะทำทานอยากใหญ่หลวง แม้สมบัติท่วนดสสมารถพระวรรษก็ไม่ได้วิปรารให้เป็นที่เวทนาพระโรคาประยาตต่างๆก็ไม่เบียดเบียนนางทรงยินดีสเสด็จประพาชมพระนครบทจรไปตามบาตวิถีทากลางโู่สนมนารีดุดจันจำแวดล้อมด้วยกลุ่มดาวชาวประชากรก็กพากันแท่ซ้องฟ้าทุการถวายพระพรใช้ด้วยพุ่มผักกาและช่อดอกไม้กระทั่งถึงท้องถนนอันเป็นชุมนุมของตานค้า ทำการความเป็นไปที่สับสนอัลลามานมีการต่อรองเพื่อกำไรและจ้องจะเอาเปียบของกันแลกันคนทั้งหลายที่ไปรวมกันอยู่น้นที่นั่นเหตุการสำคัญได้อุบัติเกิดขึ้นแล้วทำให้การเคลื่อนไหวของสรรพชีวิตหยุดนิ่งสินค้าถูกและเลยกำไรขาดทุนถูกและลืมคนพุชลิดคิดจ้องจะเอาเปียกก็ปล่อยโอกาสพ่อพนางพุทธดีทรงประสูตรพระโอรสในท้องถนนแห่งนั้น ดูก็น่าเวทนาเป็นประศัตรแตมาอุบตทถือกำเนิดการถนนแต่ถ้าหาพิจารณาด้วยเหตุผลก็พอจะเห็นความประจวบบังเอิญนั้นน่าจะมีเจตนาของสวรรค์แฝงอยู่ตามปกติถนนหนทางเป็นของกลางซาธาะณะไม่ตกโนพาใต้อำนาจผูคขาดของผู้ดใดไกลๆตั้งสิ่งการที่ประโพธิสัตว์สเสด็จออกมาสู่โลกนที่นั่นเป็นนิมิต คิดให้เห็นว่าพระองค์เกิดมาเพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์แก่คนทั่วไปไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นของใครคนใดคนหนึ่งตามเป็นคนของโลกไม่เป็นคนของตระกูลไม่ยอมถูกจํากัดด้วยอํานาจของตระกูลเหมือนความดีไม่มีขีดขั้นชั้นเชิงและก็เป็นดังนั้นในมิตรประหลาดสมัยประสูตนแล้วก็เป็นดังนี้นนก เ, นน เ, นนเกิดปับ๊บออกมาเนี่ยมืนตาลดลืมเนี่ยซ้ายขวาเลี้ยวไปรอบๆขอที่สองเกิดมานี่ พาหัดมือทั้งคู่นี่แบมาตั้งแต่ในท้องมิได้ ก, กรรมเนี่ยอย่างสามันทาลกขอดีสามพูดออกเกิดออกมาแล้วก็พูดได้ขอทรัพย์กับพมานดาประธานมูลค่า 1, หนึ่งพันดําเนินขอเงินแนม่ประธานก็ไม่ได้เข้าบลวงพ่อลูกขวงเกิดมาแล้วขอเงินลอดเดนนี๋ย่างเงี้ยข้อที่สีเมื่อเกิดมาขอเงินแม่ได้หนึ่งพันดําเึงแล้วก็ทรงทานให้แก่คนอยากไรอนาทาเรียกได้ว่าเริ่มทําบุญมาตั้งแต่ตกฝากขอดีห้าช้างเผือเกิดร่วม ในเวลานั้นหนึเชื่อจากนางช้างตระกูลอุโบสถในแดนหิมาวันทั้งนี้ออกลูกทั้งนั้นจักสร้างเผือก ม, มาตาัยแกลนไปเคินห้องสร้างไปออกลูกในแกล็ลนนี้เลยเรียกว่ามีสหาชาติเกิดร่วมใบบุญผู้ง่ายๆนี่คืออุบัติเหตุเกิดขึ้นพระโพธิสัตว์ได้ขนานพระนามว่าเวสันดรเพราะอาศัยเหตุที่ประสูติถ้ำกลางปนครต่อของพ่อข้าพระบิดามารดาทรงธนุธนอมปกติชาวอินเดียนี่นะ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 ของพ่อค้าที่จุมนุงของพ่อค้าอันนี้พระพุทธเจ้าทันเหล่าเองดังในพระไตรปิฎกเล่มที่สามสิบสามจารยปีฎกจริยาที่กล่าวนาห่าร้อยบรรทัดที่กล่าวพระพุทธองค์กล่าวว่าทัทสมาเสธรยิตตวากลนเตปูรังพทักขีนังเวสานังวิธีนังมะเชชนเนสิพุสตีามาังนาไมหั่งมติกังนามังนาปีเปติกะสัมภาวังชาเต ท, ทาเวส วิธีอย่างตัสมาเวสันตโรอ่างพะนางผู้สตีทรงพระกรทครบสิบเดือนเมื่อทรงเที่ยวรอบเมืองพระนครพระนางก็ประสูตรเราณทำการถนนของพวกคนค้าขายพระนามของเราจึงไม่เ น, นื่องข้างฝ่ายบารดาบิดาเพราะเราเกิดที่ถนนของคนค้าขายฉะนั้นเราจึงชื่อว่าเวสัดนดรตัสมาเวสันตโรอ่าแง่เพิ่นว่าเพิ่นเองใดมันเป็นอดมาวะเอาเองก็เลยตั้งชื่อยอย่างนี้แต่สิ่งที่น่าคิดอีกอันหนึ่งนะ อาตามาก็อยากจะพูดต่อไปแต่อย่างไงก็ตามเดินกันนี้ให้มันจบซะก่อนเมื่อพระองค์เกิดมาและเกือบจะไม่มีโอกาสร้องไห้สเสด็จพอ่อเสด็จแม่ตั้งหลายเอาอกเอ า, เอ า, เอาใจได้คัดเลือกเอานางสนมนาลีสุภาพลักษณะที่สวยสดงดงามเป็นพระผี่เลี้ยงอภิบาลหกิบสี่นางพระกุมารเกือบจะไม่มีโอกาสร้องไห้พอเริ่มเจริญไวไัยได้เลี้ยงสารกรประกฏอุปนิสัยโนเียงไปในการบริจาคส่งบดเปลืองเครื่องประดับกายออกประทานแก่พระผี่เลี้ยงนางนมตามวรรคต่างๆ กันถึงเก้าครั้งเมื่อพระชนปัรษาได้แปดปีทรงปรีพระองค์สู่ที่ระโหฐานและทรงคิดวัดทานภายนอกพระยิรกัดทานก็ได้ให้มามาก่อมากแล้วยังไม่ได้อิ่มใจเลยก็คิดกันต่อไปอัจฉติกะทานทานภายในห้าผู้ใดก็ตาม เห็นว่าดวงใจของเราตาของเราเนื้อของเราเนือดืบเลือดของเราจะมีประโยชน์แก่ตนก็มาเอย่ยขอต่อเราเรายินดีเราจะสละให้หรือไม่ประสงค์เอาตัวเราไปเป็นทาสรับใช้เราก็จะสละตัวเองเพื่อเขาพูดนั้นนี่ท่านดัมลีอย่างนี้ผู้เป็นคาถาตรง น, นี้อยู่ในกันหิมาพานคาถาในหัวใจพระเวสสันดรซึ่งเราตั้งมาเป็นบทเทศขึ้นขั้งต้นว่าหากจะยังถ้าได้ยั ง, ย ง, ยงจกค้มังสังบีรุชิลังปีจะถ t h ยยังตาเ ย, ยสวเวตวายะฮิโกะเยชเยมามาัง เราพึงสละหวัวใจดวงตาเนื้อกายไหลเลือดถ้าใครขอเราเราก็ยินดีที่จะให้คำอธิษฐ า, า, านบารมีมหาปัตภัยก็วาดวันไหวเป็นที่อัศจรรย์เขาสเสนนุนราชสั่นสะเทือนด้วยอนุภาพแห่ง การตั้งสัจจะอธิษฐานพระกุมารโพธิสัตว์ในการนั้นเมื่อปชนมายายุได้สิบหกปีสําเร็จจากการศึกษาทรงคุณสมบัติของบุรุษอย่างสมบูรณ์พระบิดาปรารถนาพระราชท า, านราชสมบัติแก่พระองค์จึงทรงปรดฟ้าปรึกษ า, ษ า, ษาพนางพุทธดีตกลงได้ไปขอเมียมาให้วอกภาษาบ้านเฮาง่ายต้องหาคนที่ดีที่งามที่สุดในสมัยนั้นก็เลยได้ไปขอคู่อภิเสก ค, คือได้ไปขอพนางมัตติ ซึ่งเป็นบุตรสาวของพยามัทราชก็เลยไปขอมาอภิเศกสมรสซะเรียบร้อยโดยมีช้างปัญญนาคเป็นพาหานาค่บาลามีบรรด า, าบาบดีพานิทอมัภาพทาดบริวารทั้งหลายตลอดทั้งพระงรงในกรไพ่ฟ้าอนาประชาราชได้แบบทําบุญให้ทานเฉลี่ยความสุขไปในหมูค่คนยากอย่างกว้างขวางและโดยอำนาจถาม น, นี้เอง พระ อ, องค์ได้ปกครองแผ่นดินเมื่อได้รับพระราชสมบัติจากปิดานั้นด้วยการบริหารประเทศชาติด้วยการให้ทานความร่มเย็นได้แผ่ไปทั่วขอบเขตขันธ์สีมาอาณาจาักกรุงศรีพีเชิดถูดรนครที่อุ ด, ดมด้วยโคลคกอกลายเป็นนครแห่งอุดมคติที่บรรลุถึงจุดสมบูรณ์ด้วยอน า, านาจการศีลละของชาวนครซึ่งมีพระเวสสันดรเป็นประมุขคููง่ายว่าประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์อองทรงให้ทานบริจาค มาพูดมาถึงตอนนี้ประชาชนทั้งหลายก็ทำตามบ้มานเมืองไม่ต้องเป็นนิกไม่ต้องเป็นนอกไม่ต้องเป็นอุซ่ากรรมไม่อุซ่ากรรมเก่าอะไรก็ไม่ต้องฝ่ายฟันถึงสร้างบ้านสร้างเมืองอย่าให้มีคนตกทุกข์ได้อยากคนรวยมากแต่มีคนจนมากนั้นไม่ชื่อว่าเป็นความสำเร็จของนักบริหารชั้นดี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 รวยกวับคนยากาคนจงก็พอใช้กันได้แล้วเดี๋ยวนี้บ้านเราเมืองเรากำลังประโคมข่าวกันเรื่องนิกสร้างประเทศให้มันจากสนามรบกลายมาเป็นสนามการค้าแต่คนร่ำคนรวยรวยขึ้นผิดหูผิดตาอุตสาหกรรมมากมายขึ้นกลายเป็นประเทศนิกแต่คนทั่วไปจะถูกนกจะล้มละลายเพราะเป็นหนี้เป็นสินอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นความสาเร็จเลย เพราะเอ็ดสันดอนนั้นนี้ไปที่ไม่ให้มีคนทุกคนอยากถึงแม้จะไม่มีคนรวยก็ตามเพราะหาว่าถ้ามีคนทุกคนอยากมากเนี่ยคนรวยมากเท่าไหร่ก็ตามคนทุกคนยากมันมีมากนั้นสแสดงว่ามันได้ดูเอาทรัพยากรโดยการเอารัดเอาเปรียบกดขี่คอมเพงกันขึ้นไปถ้าหากเกิดมันการเสยียสละเอื้อเฟือ้อเผื่ อ, อแผ่กันขึ้นมา คนรวยเมื่อมีสินมีธรรมเหมือนพระเวสสันดรเป็นตัวยอย่างจะเป็นเศษถีใจบุญมันจะตายจากความเป็นนายทุนหน้าเลือดที่จะไปสูญนิกุสะกรรมใหม่จนกลายเป็นคนทุกคนยากกลายเป็นนอกไปเลยถูกนอกพังภาพกันไปนเลยอย่างนี้พอเหตุ น, นั้นนครแห่องอุดมคติก็รบรรลุสู่เป้าหมาย คือถึงความพุดมสมบูรณ์ด้วยอำนาจในการเสือสละของชาวนครโดยเหตุแห่งพระเวสสันดรซึ่งเป็นองค์ประมุขของชาติได้เป็นตัวอย่างเสด็จไปเยี่ยมพระยาณาประชาราชพระศกในกรภายใต้เบืองยุคนบา ท, ทินลุ่งเรืองเมืองกันดานบาั่นลึกลับบั่นเล็กเมืองน้อยบั่นใหญ่เมืองโตเหมือนประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราพระองค์ส่งไปนั่นแหละ ไปทีนหนก็บริจาคทานดูอย่างนั้นชาวบ้านฟุขาบอดีเซทีกระดุมผีทั้งหลายก็เอาเป็นตัวอย่างบ้านเมืองสงบร่มเงีนในการต่อมาพระนา ม, มัถีก็ทรงให้กำเนิดโอรสที่น่ารักทรงพนามว่าชาลีพออาศัยดิมิจาคายทองคำเอามารองรับเอาเอขิงคำมาห้องอย่ามาเกิดใหม่หนะก็เลยเอ่นวาซารี ต่อมาอีกหนึ่งปีก็กำเนิดพระราชธิดาคนานนามว่ากันหาชินาพอรองรับด้วยหนังหมีอันเป็นสลิมงคลความสุขสันติเป็นไปอย่างดีเลื่อนโดยประการดังนี้คนน้องเป็นผู้หญิงชื่อว่ากันหาชินาเนื่องจากว่าเอาหนังหมีดำๆมาห้องมื่อเกิดออกมาวันหนึ่งยามสายในวันธรรมสวรรอัฐมีดีที่ิบแปดพระเวสสันดรทรงประทับเหนือคอปฏิญานบายพระพักมงสูโลงทานที่ตั้งอยู่ด้านทิศทักษิณ คือในวันพระพระองค์จะเสด็จพระราชาทานสิ่งของต่างๆแก่ประชาชนในงฐานนอกจากพระราชาวังแล้วยังออกไปในกำแพงพระนครในวันนั้นก็พอดีพอดีพอดีในขณะที่ดวงพระไทยอิ่มเอิบด้วยด้วยสถานั้นซอดทอดประเด็เห็นคนยากกลุ่มหนึ่ง ทลาออกจากข้างทางพางกันคุกเข่าพนมกรอยู่ทา่ามกลางมะคาทรงชะลอบาทช้างรับฟังชัยพอ์และคำร้องพุก ข, ของเขาได้ขวาบฟ้าเขาทั้งหลายรวมทั้งสิ้นแปคนเป็นชาวกะเห่งขลาดได้รับบัญชาจากพระองค์มาหังกษัตริย์แห่งแวนแครนั้นได้บอกว่า เมืองคลิงคาลาั้นแห้งแรงมาแล้วจะไปจะเดินประชาชนทุกอย่างลําบากอ้อหิวหอยพร้อมโซกหัวโปโปโงว่าเขาโปโปโก็หลงกันแล่นตายเหมือนประเทศซาเหมือนประเทศเอธิโอเปียดังที่เราเห็นในโทรล่าทัพอฝนฟ้าไม่ตกพระราชาก็ไม่มีทางที่จะแก้ไขสุดจะเยียวยาพากันคิดได้อย่างเดียวว่าทหารได้ช่างมงคนนะครที่ปิญญาเคนของพระเวสสันดรที่รีพีเชิตุรนนคร น, นี้เข้าไปเยียบให้ฝนฟ้าคงจะตกต้องเพราะเป็นช่างที่สมบูรณ์้วย ดมมงคนดาฮัตผีพระเวสันดอนได้ฟังดักนั้นก็คิดว่าความทุกข์ร้อนที่เกิดหน้าเวทนานดุลลูกกัมพาที่ขาดแม่นี้สักซไซด์ด้ความแน่ชัดว่าการซีสละให้ช้างเป็นทานนี้จะเป็นประโยชน์แก่เขาปลดเปืืองความทุกข์แก่เขาได้ก็เลยดีใจลงจากหลังช้างเลยพระเวทันดอนมือขวาจับงวงอิยาลามือซ้ายกอดลั ง, น, ง น, น้ําทักซีโนทุกปรากฏลงในมือพาม อธิษฐานใจสาธุขอเดชแห่งการให้ทานปิยนาเคมครั้งนี้จงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานอมตะมหานิพพานในอนาค ต, ตการเบื้องหน้านุ่นเถินมอบช้างให้แก่พราหมณ์แต่คนเาสาเสนรุราชสั่มสเทือนพื้นแผ่นดินได้กระเทือนเลื่อนลั่นอีกวาระหนึ่งด้วยอำนาจแห่งการให้ทานครั้งนั้น ประชาชนไม่พออกไม่พอใจพอให้ทานแล้วก็ต้องเดินกลับมาด้วยเท้าเปล่าเปล่ า, าช้างก็ให้เขาบรรเลงเขาก็ขี่ออกจากนครแล้วชาวบ้านตีอกรกใจร้องหอมร้องไห้เสียใจพระเวสสันดรคนบอกเป็นตาออนซอนอับตีจังไรคนสีกระดานมีอย่างเขามาขอให้หมดอีกหน่วยเขามาขอพระ น, นครก็คงจะต้องมอบให้แตอย่างนี้พวกเราตายแน่แน่ยอมไม่ได้ประชาชนทั้งหลายปลุกระดมกันลุกขึ้นฮือเลยเดินขบวนประท้วงตอ่อพระเจ้าแผ่นดินขอให้จับพระเวสสันดรมาฆ่ า, าทิ้งประหารชีวิตหรือมิ นั่นก็ ไล่หนีออกจากพระนครพญาสนชัยได้ฟังดังนั้นคําร้องทุกข์ของประชาชนพระองค์ก็สดที่จะทนทานหันหน้าปรึกษาฮาเลกันกับพานังพูดเสดีว่าจะเอาอยัางไงดีการที่จะให้เราฆ่าลูกของเราเป็นไปไม่ได้มีวิธีทางเดียวไล่ในประเทศออกจากพระนครไปอยู่ที่เขากิลีวงกดเยี่ยงนักพลปุทรงสินชอบพำบุญให้ทางก็ต้องไปอย่างนั้นถ้าจะให้ข่าฉันทําไม่ได้ก็เลยรับปากชาวบ้านว่าจะไล่หนีจากพระนครวันแล้วก็ให้นายนักตัน เขียนหนังสือนําสารไปบอกในเดืนเย็นวันนั้นพระเวสสันดรก็เลยได้ตกเป็นจำเลยถูกไล่จากพระนครรู้ว่าตนเองเป็นนักโทษเสแล้วก็เลยขอร้องต่อเขาว่าขออยู่สักสองวันสามวันจะได้ไหมเพราะว่าจะได้จัดการกับทรัพย์สมบัติส่วนตัวที่มีอยู่จะได้ทําสัตสตะกมหาทานให้ทานอย่างยิ่งใหญ่ยยละเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยจัดการกับทรัพย์เสร็จแล้วฉันจะได้จัดการกับลูกกับเมียของฉัน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 บุดตั้งคีเวบุตรเป็นเชือกผูกคอสามีภรรยาหัดเถสามีภรรยาเสมือนปอผูกสอกผูกมือเสื้อผูกข้อปอผูกสอกปอกซุปตีนสามอันหนี่ผูกผู้ใดแล้วมีแต่ดินแต่แมงตายดีไปซะไปเลยพระเวสสันดรจะต้องการแก้สามปอนิ่งให้ได้คือจัดการกับทซั์กับลูกกับเมียซะก่อนเลยขอผัดผ่อนสักสองคืนเขาก็โอเคกลับไปหลังจากนั้นพระเวสสันดรก็มาลำพึงถึงชีวิตที่จะต้องแก้ไข หาพระ อ, องค์ทรงทําบุญได้ด้วยการมุ่งหาคะแนนนิยมจากหลมปากคนเหตุการณ์ครั้งนี้ของจะสร้างความผิดหวังรันทดให้ไม่น้อยแต่นี้พระ อ, องค์ทําความดีเพื่อความดีแม้ผู้อื่นเขาจะเห็นเป็นความชั่วร้ายแต่ก็ไม่ส่งหวั่นไหวเหลือแต่ความกังวลที่มีต่อพระนางมัทธีและโอรสธิดาทรงขอพรเวลาเพื่อสั่งเสียบทภรรยาและจัดการเรื่องทรัพย์สมบัติสักสองลาตีซึ่งก็ได้รับอนุญาต ด, ดังคาดคิดเป็นว่าจะต้อง แก่เชือกปูคอปอปูกฟอกซึ่งทุกคนนี้ไม่รอดโลกนี้ไม่พ้นกบเพราะอำนาจห่วงทั้งสามนี้แต่ยามดีไม่รู้สึกจะได้สํานึกกันก่ตอนที่เขาถูกมัดตราสังไสโลงพวนยามตายเขาจึงมัดเสือกใส่มือหั่นใส่ขาใส่คอเขาเรียกว่ามัดตราสังยามนั้นจึงได้สํานึกมันจะสํานึกได้จังดี แต่พระเวสสันดรนั้นท่านทำความดีเพื่อความดีท่านไม่ได้พิดหวังเขาจะไล่ออกก็ตามเราได้สร้างคุณงามความดีพอใจพูดไปพูดมาคนมีธรรมะมันต้องทำดังนั้นดูพระสงฆ์องค์เจ้าในวัดในวานเนี่ยบางทีเล่น ง, งานทำนังสือจะแจกให้แก่ประชาชนในงานให้คนไดอนน้อ่านหนังสื้อทำมาทำกันตั้งกลางวันกลางคืนตั้งพรั้งเนนบางทีก็จัดการบริหารอารามงานนักหนักทำกันหามรุ่งหามคัม้บางทีเนี่ยไปขุดบ่อให้ชาวบ้านกินน้ำในหน้าแหลมมันอดยากภาคอีสานภาคเหนือลุย ขุดบ่อหรือบอ่ อ, บอชาวบ้านโอ้ยาคูคือเก่งแท้กินข้าวเธอเดียวหนึ่งคือเก่งแท้ขุ ด, ขดขขสร้างทางานได้เบดมือแนย่ยมกินวันละสามครั้งยังทําไม่ได้แต่ที่พระท่านทําได้นั้นทําเพราะมีกําลังใจมีศรัทธามีปราสาทเมตาตากรุณาปานีที่จะมีต่อชาวบ้านต่อเพื่อนร่วมทุกเกยแก่เจ็บตายชีวิตเรากินวันละครั้งเดียวฝากปากฝากท้องไว้กับชาวบ้านบ้าน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 นี่คนมีธรรมมันทำอะไรได้บ้างไม่ได้เงินเดือนแม้แต่วันละสะตางค์ก็ยังไม่ได้เดือนละบาทก็ไม่ได้พระท่านก็ทำได้ด้วย อ, อำนาจแห่งธรรมทำโมโหเวยละกะติธรรมาจาริงทำย่อมรักษาผู้ประพฤติทำให้ผู้ประพฤติทำเป็นคนดีอยู่เสมอท่าวันใดผู้ประพฤติทำเพี้ยนไป น, นันนธรรมหมดแล้วทำไม่รักษาก็เลยไม่รักษาทำมันเป็นอย่างนั้น เอเวศนดอนก็ส่งติดอยู่ในห่วงก่อนจะไปจำจะต้องทำลายห่หวงหาความอิศะเสียก่อนตัดห่วงล่างเทา้าโดยรับสั่งให้พหนัก ง, งานเบิกเงินตาล่าจะรับอื่นๆส่วนที่เป็นของพระองค์มารวมไว้เรียกว่าสตตะสตตะกะมหาฐานทานที่ประกะบอบด้วยวัตถุมีค่าสิ่งละเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยสตตะแปลว่าเจ็ดสตตะแปลว่าร้อยเจ็ดร้อย สัตตสัตกรตรมหาทานทานอย่างละเจ็ดร้อยชามเจ็ด้อยม้าเจ็ดร้อยรถเจ็ดร้อยขาดชายิ้งอย่างละเจ็ด้อยอาพรเพยพันเงินทองโคนมซ้อละพัดแม่กระทั่งสุราแหมเหล้าก็มีนะพระเวสสันดรทานเพราะว่าในพระไรรมวิดโดเขาเขียนอย่างนี้จะจริงหรือเท็จประการใดแต่มาก็ไม่รับรองเหมือนกันไม่ทราบว่าพระเวสสันดรจะทานเหล้าไปทําไมก็ไม่ทราบมันมีในพระไตรปีดโกเล่มที่78ก็เราไปแฝดดู เนี้ยในการหิมาผ่านนี่เป็นทานรับสั่งเตรียมไว้ทรงประทานผู้ใดอยากได้ให้มาเอาเด้อค่อยทีทานของค่อยปลา ก, ก่ดนวาข่าวเดียวเกี่ยงคึกมีแต่กอนยางได้มาเอาเป็นอันว่าตัดแล้วบ่วงล่ามเทา้าหลังจยางนั้นก็เหลือแต่เชือกผูกคอผูกซอกคือเรื่องเชือกผูกคอลูกม้อภาะเลี้ยงลูก สาวลูกชายบุตรธิดาแก่นางมทัทยพระองค์เองสิ้นโอกาสวาสนาจะช่วยอยู่ชุบเลี้ยงอีกต่อไปมทัทยเอยฉันไม่มีบุญวาสนาจะเลี้ยงลูกสาวลูกชายของเราให้ใ ห, ใหญ่โตได้ฉันหม่อมให้แก่เธอเธอไม่ได้ถูกขับไล่ไสส่งไปไหนเธอมีสิทธิ์ที่จะอยู่ในนครรีผีเชตุดอนหรือหากว่า เธออยากจะกลับคืนไปสู่นครมัธลาดกับเสด็จพ่อของเธอเธอก็ไปได้ที่นู่นก็รอคอยต้อนรับอย่างอบอุ่นชีวิตของเธอไม่ตกต่ำระยำยากหรอกมัดสีเอ๋ยหากว่า yeah, <Orleans and> <on> จะมีกระสับมหาศาลถา ม, มหาศาลในแว่งแคว้นปาธนาตัวเธอมัตชีเธอจะได้ห่วงฉันเลยเธอจงไปเธอเพื่อชีวิอันเป็นสุขนี้คือความรักอันบริสุทธิ์จากใจของฉันซึ่งมีต่อเธอพนามัตชีได้สดับเหตุการณ์จากภาษาหมีเช่นนั้นเมือนใจจะขาดแสดงน้ำพระทัยอันเด็ดเดี่ยวพักดีออกมาไม่ให้จะถูกขูด้วยความทุกข์ยากในป่าภัยยางไรนางก็ไม่ยินดีอยู่ ถึงแม้จะบอกว่าที่ป่านู้นเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายนานาปากาอุ้ยสารพัดอย่างต้องไปกินพอนมากรากไม้หัวมันตามมีตามเกิดชีวิตฉันคนเดียวก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเอาตัวรอดได้หรือไม่พรานางได้ฟังหลันั้น เหมือนคมดาบเสียบตรึงกลางหัวใจเหมือนหัวใจจะแตกสลายแทนที่พ น, นังจะดีอกดีใจบันผิดกันกันกบคนสมัยนี้ผัวไปเมืองนอกส่งเงินมาเดินละเมินสองหมื่นไม่จะหุ่นอยู่บ้านเที่ยวแจกจ่ายของดีเอาเองินของสามีไปบำเอรอใส่สูงสังบลุตนหนาอีตายเวีนตัดตัวผัวไปรับจางเมียหางตัวไปขี่มอเตอร์ไซค์แปลนปแปลนปแปลนค อ, อไป <c oughs> ตรงละผักตรงนี้หน่อยไม่ใช่ดนั้นจว่าทำไมไม่อยากจะเป็นคนดีเหมือนนางมัทีกันเลยนางมาทีนี่ผัว อุตสาห์มีทรัพย์สมบัติมีอะไรทุกอย่างมอบให้อยู่ในศรีพีเชตดอนหรือจะเจอกับนครมัธลาดจะแต่งงานกับผู้ใดใครก็ปาฏนะเอาเถอะฉันไม่ว่าอะไรสักคำนั่นเป็นความสุขใจของฉันนางบอกว่ากระหม่อมขาในป่าใหญ่ถึงจะมากด้วยภัยฉันไม่ยอมถอยหนีถึงจะไปนาลกไปสู่อเวจีถ้าหากมีพระเ จ, จ้าพี่และหม่อมฉันไม่วั่นเลยโลเลงลือขึ้นชื่อว่าผัว จะดีหรือชั่วประคุณเจ้าเอ่ยก็สุดแต่กรรมจะตามมาเกยฉันไม่ขอห่างเฉยองพระราชาจะขอร่วมยากไม่ยอมถอยหลังแม้สวรรค์นในวังก็ไม่ปรารถนาขอเคียงคู่บาทองค์พระพัสดาไปจนกว่าชีวาวของข้าจะสิ้นบุญแม้ปินเกตจะไม่เมตตาดวงชีวาวของข้าจะเห็นโสนจะก อ, กองเพลิงให้เริงจารูญจะขอสิ้นบุญอยู่ในเชิงตะกอดอแ น, น่เห็นไหขันว่าให้ไปนําสิดังไฟขันโดเขากองไฟให้มันตาย ใจถึงขนาดนั้น่ว่าจะก่อกองเพลิงให้เริงจำรูญจะขอสิ้นบุญอยู่ในเชิงตะกอนดีกว่าอยู่ทนสู้อับอายให้ชนหญิงชายาาก็พาดันค่อนเมื่อยามมีสุขเสี่ร่วมฟู้งั่วมหมอนและเมื่อยามทุกข์ร้อนแล้วก็มาเปลี่ยนน้ำใจยามสุขสมบูรณ์เคยได้ร่วมยศถึงยามอับผยศก็จะไม่ก่อ ย, ย้ายเป็นชาบหลายฉิ่งเป็นหญิงหลายชายจะตั้งอะไรกับคนขายตัว ใช้รูปโฉมประมสเสน่ห์ที่ร่อนเรศแสวงผัวไม่มียางอายคบชายชัวยช่วมันก็ช่างเมอดมัวเส้อเต็มประดาผู้หญิงเช่นนี้เป็นลูกสาวใครพ่อแม่ก็เสียถ้าหากเป็นเมียผัวเองกอดเสาแต่หากเป็นแม่ทั้งลูกทั้งเต่าก็พลอยอายเข้าไปทั้งเหล่าตระกูลวงนั่นฟังนางพูดสิผัวถ้าผู้หญิงอย่างนี้ เขาลูบโฉมโนมพันไปปะโลมสเสน่ห์ไปเที่ยวผัวเพ้อดิ้ดเดียวแต่งตัวเช้งวัดทำเตาหวานเจิมแต่คนโน้นคนนี้ใครมาชวนไปเที่ยวขี่เบอร์ไซส์แป้นผัวไปเมืองนอกส่งเงินมาให้ไปกับผู้บ่าวเลวปาลูกวัยที่บ้านอย่างนี้เป็นลูกใครพ่อแม่ก็เป็นเศร้าใจเป็นเมียใครผัวเองก็ทุกข์เป็นแม่ใครลูกก็อับอายเอ้ยแม่โตจะเป็นเป็นหายน้อถลาว นี่น่าคิดเข่าเกือบตายแนวทําให้ลูกชายลูกสาวอับอายไปหาเป็นผู้สาวสาํานอยูย่เลยขอพายายธรรมาบาป <c oughs> แล้วพูดตรงนี้คนไม่มีศีลวิตร์มันเป็นอย่างนี้ไหมเหมือนนางมัทยีแต่นางมัทยีเนี่ยโอ๊ยงอมตายซะดีกว่านี่เป็นอย่างนี้แล้วนางก็ลำพึงลำพันต่อไปว่าเสด็จพี่มหาราชเจ้าพระองค์จะเสด็จแต่โดยเดียวไม่สมควรเลยหม่อมฉันจะร่วมเสด็จด้วยนางช้างพัง ติดตามช่างพลายตัวประเสริฐด้วยความพักดีสุดแดนวานาชันใดแม่หม่อมฉันก็จะพาชาลีและกันหาตามเสด็จไปเบื้องหลังฉันนั้นเราจะเป็นผู้เลี้ยงง่ายอยู่กับพระองค์พระองค์จะได้ทรงทอดพระเนตรโอรสธิดาลูกของเหล่านั่งเล่นอยู่ตามพุ่มไม้ริมอาสมอันรื่นรมส่องซีงเจราจาระหว่างพี่น้องอยู่ เ, เจืิดแจ้วพูดกันเล่นกันงอมแงมงอมแงมแล้ว เธอจะพากันประดับองค์ด้วยดอกไม้ป่าพางเล่นฟ้อนรำกันอย่างร่าเริงเมื่อ น, นั้นก็จะทรงลืมราชสมบัติสเสด็จพีอย่าเมื่อมีโอกาสทอดพระเนธช้างสารอายุหกสิบปีเที่ยวอยู่ในป่าและได้สะดับช้างพลายผู้นํำฝงช้างพังบรลือเสียงลุดนกกระเรียนโทษพระเนธไัยชัดหมู่ไม้ทั้งสองข้างทางอันเกลือก่อนกล่นไปด้วยหมู่มิขมา่าพากันยา่าเยืองอย่างอาการที่สงงน่านาม เหล่ากินนาลีนารอนฟอนในยามเย็นแท่ฟั่งนาทีถานจะได้ทรงฟังเสียงเกึกก้องแห่งกระแสน้ำอะไรโกรกลงจากยอดผาผสมกับเสียงขับเพลงของสกุณนโกลีลานกเขาแมวนกกา ว, วาวซ่อนกายอยู่ในซอกเขา หมูพานมิกในป่าประกอบด้วยราชสีเสือโค้งแรดและโคลานน่าดูไม่น้อยเสด็จพี่อีกทั้งนกยูงที่กำลังลำแผนหางอย่างงดงามเกลื่อนกลนไปด้วยนางนกยูงที่พวงหางวิจิตลลำแผนยงชวนพิษดังเทพอัปสรลงฟ้าจะได้ทอดพระเนตรหมูม่มวลพฤกษชาติที่มีชูช่อบานย้อยระยะฟุ้งไปด้วยกิ่นหอมพ่างฟืนดิน เขียวชจ้ามประคองไปด้วยมาแรงข่อมทองแมงคับขนะสลับลุกขชาติที่งามระปัดเสด็จพี่มหาราชเ จ, จ้าลำเนาป่าเขาแถบคุนเขาหิมาลัยวันพดกกำลังรอคอยให้ทรงทอดพระเนตรอยู่แล้วชัว่วการนานพระองค์จะทรงชื่นบานไม่มีโอกาสละลึกถึงราชสมบัติอีกเลยทีเดียวแหละเสด็จเถิดไปกัหม่อมฉันจะตามสเสด็จไปทุกย่างก้าว พระพุทธเจ้าของเราส่งกล่าวว่ากุลนาลีใดละลายทุกในอกของสามีเสียได้ด้วยศิลปะเปลียนสภาพอลัมเคนในห้วงนึกให้เป็นประดุจรมณียสถานด้วยสามารถแห่งการบำเลอจิตกุลนาเรนั้นเป็นรัตนะอันประเสริฐที่บุรุษควรเสียงชีวิตแสวงหาไม่ไหมยามทุกยาก พู่จ่าปอบปลเล้าปลาลมจิตใจสามีให้เกิดจิตใจคือท้าที่จะต่อสู้กับชีวิตไปเถิดยอดรักป่าดงพงไยัยเขาทีรีวงกฎกำลังรอคอยเราณนะที่นั่นจะเป็นสวงสวรรค์ของพวกเราลูก น, น้อยสองคนจะเล่นงอมแงมงอแงมอยู่ข้างอาสมใต้ร่มไม้ใหญ่ริมฝั่งสะโบกขลณีเก็บดอกไม้มาแสมเสียบผมปั้นตุ๊กตาให้กันเล่นน่ารักยิ่งนัก วันนั้นเสด็จพี่และหม่อมฉันจะลืมสีพีเชิดูุดอนนครที่รุ่งเรืองด้วยโพคะแห่งนี้ไม่ว่นนารกหรืออเวจีถ้ามีพระเจ้าพี่หม่อมฉันไม่หวั่นเลย ม, มาผ่านกันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ต่อไปก็ก้าวสูงทานกันมีทั้งหมดสองร้อยเก้าคาถาอาจะจะเจาะ จ, จุดเทียนก็จุดไป เพราะว่าแต่ละกันในระหว่างทิ่มาผณานและธานกันนี้ยาวเหยียดเลยมันมีคาถามากโดยเฉพาะอยุ่านในหนึ่งร้อยสามสิบสี่คาถาผ่านไปส่วนธานกันนั้นสองร้อยเก้ารู้สึกเหยยดยาวกว่ากันอื่นถ้าท่านต้องการจะจดเทียงคาถาก็เตรียมจุดกันได้สองร้อยเก้าคาถาสองร้อยเก้าเทียนพอดีตัวธานกันนี้เรายังไม่ปฏิปริทั์กัน เขาจะขอเดินเรื่องนี้ไปให้มันได้สักสองสามกันแล้วค่อยมาย้อนมาปาริทั์มาชี้แจงแจ้งว่าแต่ละกนั้นมันมีคุณค่ามีความหมายทางจริยธรรมกันอย่างไรเมื่อกี้จบไปแล้วหิมพม า, านหมัดนี้ก็ทานตะวัน แม่คนทั้งโลกจะเล็งเห็นว่าเป็นผู้หมดค่าไม่พึงปานาอีกแล้วแต่ก็ต้องมีอยู่คนหนึ่งละที่ไม่เห็นด้วยผู้นั้นก็คือพระแม่นางพุทษสีได้ทรงสดับข่าวเดลเทศพระเวศสันดอนพระสวงเพียงจะสลายด้วยวิปโยคเสด็จมาเยี่ยมนักโทษที่ฝุงชนเขาชิงชังทรงกันแสงร้องไห้แล้วก็เสด็จไปสู่ตำหน่งพระราชสวามีขออภัยดุจดีขอโทษขอข อ, อาภัยให้ พระราชสวามีเนี่ยประทานอาภัยให้แก่ลูกและก็ปัดทวงด้วยเหตุผลของแพทแต่ก็ไม่เป็นผลสเสด็จกลับมาปองเวนปรงกรรมกับโอรสและลูกศีสะั้ยจนสวะในคืนนั้นพระนางพุทธีและ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 พวกเราถ้าตกทุกข์ได้อยา่างผัวเมียมีกำลังใจพร้อมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคทุกอย่างอย่างนี้มันก็ไม่น่าจะหวาดกลัวเหมือนพระเวสสันดรและพะนางมัตถีพร้อมที่สุดที่จ ะ, ะเผชิญกับความทุกข์หลังจากทรงสเสวยเสร็จพระเวสสันดรก็ทรงนึกว่าถึงเวลาจึงจัดชวนพนางมัตถีและชาลีกันหาออกสู่โลงทานบําเพ็ญสตักสตักกรรมหาปริจาคทาน ทานอย่างยิ่งใหญ่แกมูคนยาจกกวานิพกคนอยากจนยังว่าเจ็ดร้อยเจ็ด้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยก็หมดเลยเนี่ยนางมัตีนั้นเมื่อทำทานเสร็จแล้วทีนี้ก็พยาสนชัยก่อมาห้ามมาปลาล์อยากจะให้ลูกพัสไพรีอยู่พร้อมทั้งหลาน แล้วพนางมัธยีก็ให้เหตุผลให้คำทูลข้อมาอรสแล้วทาดแท้ของพ่อถูกพรางไว้ด้วยมายากระสย์ไ ม, ม่ตาด ก, กับโอรสบอกว่าลูกซ้ำทรงหันไปตัดห้ามพนางมัธยีผู้เป็นสภัายไม่ให้ไปกับสามี มัธีนั้นมีเหตุมีผลของสตรีที่เป็นยูด้วยปาสจากสามีว่ามีฐานะเท่ากับตายทั้งเป็นซึ่งเรียกกันว่าหญิงไม้ความจริงในประเทศอินเดียนี่ถือกันมากจนมีพิธีสตรีนะผัวตายดีเมียโดเข้ากองไฟแต่เมืองไทยเราคงไม่มีร้องไห้ไปถึงแค่ป่าชาตอนกลับมาก็าหาักฟดไม้ทับทางหย่นานพนําไม้เฮือนหลังจากนั้นก็เหลือแต่ ฟอนเท่านั้นแหละที่ไฟลุกไหมาอานิจจากระดูกรูเออ ย, อยู่ตรงนั้นเองผู้ที่ร้องห่มร้องไห้ไปถึงป่าเผาเสร็จเรียบร้อยกลับมาภรรยาหาฟดไม้ทับทางเอาไว้กลับมาบ้านน้ําตาขือกัดแห้งนวลแป้งขึ้นมาแทนก็เริ่มมองหาแฟนเอาไว้บาเลยยังบบเจกเข้าแต่งงานใหม่จ้อยเนี่ยอย่างนี้ก็มีนะอย่างไรก็ตามพระนางมาทัทถีนี่มีเหตุมีผลเพียงพอนางบอกว่าเป็นหญิงไม้เนี่ยเมื่อกับมีชีวิตอยู่ตายทั้งเป็น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 จงตัดต้นแล้วโค่นนะของเชิญถึงถอนอย่าได้อาลัยอาวรณ์ประญ่มีพระเจ้าร้านหรือจะดีกว่าโอรสลูกในไส้ยังคิดคดหน้าเวทนาประชดประชันเหลือกเกินละนางเอ๋ยหมายความว่าพูดตีกับกับปู่ว่างนันเนะพูดประชดประชันถ้าจะตัดต้นแล้วก็โค่นราก พ่อแม่นั้นเหมือนต้นรากนั้นคือลูกคือหลานเมื่อจะตัดต้นแล้วจงโค่นรากแล้วถึงถอนอย่าอารณอนอาบออาไร่ไปใ ย, ยมีพระเจ้าหลานหรือจะดีกว่าโอรสแม้แต่ลูกในอกยังคิดคดหน้าเวทนาพูดง่ายๆว่าหลานหรือจะดีกว่าลูก ตั้งแต่ลูกของเสด็จปู่พระเวทฟันดอ น, นเป็นลูกแท้แยังคิดคดต่อพ่อยังให้ช้างเป็นทานยังให้อะไรตัวอะไรจนไว้ใจไม่ได้จนไล่นิออกจากเมืองภาษาอะไรกับล้านมันจะดีกว่าลูกแท้แท้มันยังไม่ดีล้านมันก็เมือนกันจะได้เป็นห่วงจะได้อะไรเลยพระเจ้าสนชัยสดที่จะระงับความรู้สึกน้ําตาไหลาอาบหน้าผู้ภาษาราชาตะวันน้ําพระเนตรสึมอาบพั ก, กว่างกันแต่น่ะหันไปอุ้มหลานรักทั้งชายหญิงก่อนแล้วก็จุมพิษด้วยเวทนาและอาะไร่สิ้ บรรดาปู่แล้วหลานเอ๋ยที่จะบีทักเจ้าไว้หม่อมแม่ของเจ้าก็าเอาแต่คารมไปเถิดหลานลักสี่กษัตริย์ทรงประทับรถเทียมมาผ่านไปทำกางฟุงคนยาจกวันนี้พกคนยากจนตางก็พาการร่าให้แสดงน้ำใจบ้างก็ล้มกลิ้งอยู่กลางทางบ้างก็กอดเขาาลาพันบ้างก็ตีอกชกหัวรําให้แล้วมีคนหนึ่งร้องว่าดวงเดือนประจําชีพของคนยากได้ดับเสียแล้ว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 ส่งแสงประกายวาววับเจิดจ้าได้ดับวูบลงไปแล้วคนยากคนจนจะให้อาศัยใครเนอเขาก็ร้องไห้เกลือกเิ่งบริเทวนานการว่างนั้นเถอะนะฮเวสันดอนก็ตั้งใจหักอารมณ์ขม อ, อะไรตั้งแต่เกิดมาข้าไม่เคยจากเลยเฮ้ยกรุงสีพีเชตุ ด, ดอนของข้าเอย๋ยว่าแล้วพอคิดถึงอย่างนั้น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 ขมอะไรชักม้าขับรถบ่ายนะ่าเข้าสุแนนแ น, แนวภัยนู่นเขาวงกวบนู่นแหละเป็นที่หมายสูงตระหง่านเสียดฟ้าพูดถึงตรงนี้คิดถึงประเทศอินเดียที่เคยไปมองกันไปทางทิศเหนือนี่หิมะปกคลุมเขาวโพลนไปแถบแทบเมืองซิมลาเขาไปนูน่นแล้วมองไปเห็นเขาวงกว่ก็คือเขาหิมะวันตบันพจนี่แหละสูงตระหง่านพระเวรสันต์ก็คงจะมองเห็นอย่างนี้แหละก็เลยหักอารมณ์ขมอะไร ขับรถบ่ายหน้าสูนแนวภพลนู่ในเขาวงกดเป็นที่หม่แต่รถแลหมหาก็สิ้นโอกาสที่จะรับใช้สี่กษัตรติย์ตอไปได้มีพามตามมาขอเอาไปจ้นได้ขอจนหมดสิ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเหลือแต่เกิบบัณภาษาราชาตาวัเหลือแต่ฉลองพระบาทและพระคันทรงอุ้มชาลีและโอรถ กำนดให้ปนางมัตชีดิอุ่มแก้วกันหาที่ดาดตัวเล็กส่วนพี่จะอุ่มชาลีลงจากรถม า, าพามสีคนมาขอกันเลยพระเวสสันดรมือขวาจับงอนแห่งรถมือซ้าย น้ำเต้าล่างลงในมือผานด้วยเดชแห่งการให้รัฐาเป็นทานให้รถเป็นทานครั้งนี้ขอจงเป็นปัจจัยแก่นุตรัสัมมาสัมโพธิญาณแก่เราแน่นาคตการเบื้องหน้านุนเถิดมหาปัตพีอันไม่มีจิตใจไม่มีวิญญาณก็วาดวันไหวเขาสเสนุราชสั่นสะเทือนเพราะแรงแห่งปาธนาและการให้ทานครั้งนั้นเหลือแต่ตัวเปล่าปล่ า, าอุ้มลูกคนละค น, นี่ก็เดินด้วยเทา้า ไปสู่ป่าเขาลำเนาัยด้วยพระบาทด้วยและดวงพระไทยเบิกบานทราบซึ่งในรสชาติของชีวิตยิ่งนักชีวิตเอ๋ยเคยหวานมาแล้วก็ขมเสียบ้างเสียชีวิตเอ๋ยทรงแว่วเสียงนกร้องอยู่ในแนวป่ามาแต่ไกลทากลางเสียงลมพัดผ่านยอดพฤกฟังไพเรองและมีความหมายคล้ายกับว่าโลกนี้เหมือนโงรงละคร ปวงในก้อนที่เกิดมาต่างไร่ลำทําที่ทาตตามลีลาของบทละครบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุขบางทีก็ทุกข์หัวอกสะทอนมีร้างมีรักมีจากมีจรพอจบละครชีวิตกาลาอันวัดตอนละครชีวิต เป็นสิ่งน่าชิดนท่านเจ้าขากว่าฉากจะปิดชีวิตจลาก็ต้องทรมานนี้สุดประมาณเมื่อชีวิตยังไม่ปิดฉากยังปิดฉากไม่ลงก็ต้องสู้กันต่อไปชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือการเดินทางทานกันไปได้สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้จากนี้เราจะเข้าสู่วันณประเวณขอเวลานอกยุติดื่มน้ําสักหน่อยวันณประเวณีห้าสิบเจ็ด คาถาเตรียมเทียงคาถาไว้ได้เลย